ในช่วงแต่ละวันะจิตของเราที่มันไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดนะเรื่องชอบไม่ชอบอะไรมันเหมือ น, นกับเป็นฝุ่นผงฝุ่นผงของอารมณ์มผ้าคิลิวที่เราใช้เช็ดคื้นบังเช็ดถ้วยเช็ดชาม เช็ดเนื้อเช็ดตัวก็เปื่อนทีละนิดละหน่อยไปใจของเราที่มารับอารมณ์ต่างๆที่ก็มาแต่ละวันเป็นกเลยก็ เ, เป็นฝุ่นผุรีกิเลสเข้ามาชาบเปื่อนตลอดเวลาโบราณท่านก็เลยกำหนดให้ว่าทุกเชา้าทุกเย็นต้องชำระจิต มือนเราล้างมือทุกครั้งที่เราใช้มือเราก็ไปล้างแต่ว่า <c oughs> ส่วนใหญ่เราไม่รู้จักเรืงนามธรรมาเราใช้จิตแล้วยังไม่รู้จักล้างจิตมือไปจับอะไรเพื่อนนิดก็วิ่งหานะ้าวิ่งหากระดาษทิชชู่แต่จิตของเรามันคิดไปทางดีทางไม่ดีเราก็ไม่เคยคิดหาว่าจะหาอะไรมาเช็ดมาล้าง อันนั้นโบราณท่านก็เลยใช้ช่วงเช้าช่วงเย็นนั่งทําวัดสวดมนต์เป็นการชำระจิตมันเลยซักผ้าล้างมืออะไรแบนั้นทีนี้มันก็ยังน้อยไปแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดตรงนั้นก็คือว่าเมื่อใดมือเปื้อนเท้าเปื้อนเราอย่างล้างได้ทันทีแต่ถ้าใจเปื้อน ไปไปรอล่างเช้าเย็ยนเนมันไม่ทันมันใช้ไปเรื่อยๆมือเปื้อนอันหนึ่งแล้วไปจับอีกอันหนึ่งก็เปื้อนไปด้วยเปื้อนขมอสีดำสีเปิอะเลไปจับผ้าก็เปื้อนใจของเราพอมันเปื้อนเรื่องดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบเรื่องก <c oughs> ิเลสตัณหาพอเราไปคิดเรื่องใหม่ไอ้กิเลสตัวนั้นก็ติดไปเรื่องที่เราคิดใหม่ มันมือมอเปื่อนอันนี้พอไปจับของใหม่มันก็ของใหม่ก็เปื้อนต่อลักษณะเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเพราะนันคนมันถึงทุกเรื่องคิดเรื่องนี้ค้างเอาไว้ไม่ได้ล้างมาเปียกบ่อยๆว่าเหมือนกับเราทานข้าวแล้วไม่ไม่ล้างชามไม่ล้างภาชนะเราเอามาใส่กินอีกเชื้อโรคก็ เ, เกิดใจของเราคิดเรื่องใดเรื่อง ฉะนั้นท่านก็เลยให้ภาวนาวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาเหมือนเราเราเตรียมน้ําเตรียมผงเตรียมผ้าเอาไว้เช็ดทุกครั้งเวลามือเปื่อนเท้าเปื่อนหน้าเปื้อนแต่ถ้าเราทาวิปัสนาทุกครั้งที่เราคิดอะไรออกไปปะมีสติตามรู้ทันทีเพราสติตามรู้เหมือนก็นมีน้ําหรือมีผ้ามาเช็ดออกทันที แมกระจกรถที่เราขับไปบาครั้งเอาไปนานๆมันมีฝุ่นมีผงมาจับเราก็ล้างกระจกเพราะไม่ล้างแล้วมันจะมัวมัวแล้วเป็นเหตุให้เรามองถูกมองผิดตัดสินใจไม่ถูกรถอาจจะเกิดชนหรือขับไม่สะดวกขับเร็วไม่ได้มองข้างหน้านไม่ชัดเราก็เหมือนกันอันใช้ชีวิต <c oughs> จิตของเราจะต้องถูกกระทบโดย ผุพงต่างๆมาถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เขามาทำความสะอาดใจของเราก็จะขุ่นมัวดีบ้างชัว่วบ้างสาบายบ้างไม่สาบายบ้างเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวกองใสสลับกันอยู่ตลอดเพราะนั้นเองการเจริญสติจึงได้เปรียบคนไหนที่เจริญสตินี่จิตก็จะมีความพร้อมในการใช้งานตลอด เ, เวลาเหมือนถ้วยที่เราใช้เราล้างแก้วที่เราใช้ล้วล้างมีความพร้อม ใช้งานตลอดเวลาจิตของเราก็คิดเรื่องนี้จบชําระทิง้งพอคิดเรื่องใหม่จิตใหม่จิตสะอาดเรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องเป็นปัญญาอาหารใหม่เข้าไปที่ไม่มีอะไรปนเพื่อนมันเป็นอาหารบํารุงร่างกายใจของเราใหม่ที่คิดเรื่องแต่และเรื่องมันกลายเป็นปัญญาบํารุงจิตใจให้เกิดความสงบความสุข ให้เกิดสติปัญญาสามารถตัดสินใจได้ถูกทำอะไรได้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็ได้ผลกำไรตอบแทนอย่างเี้พราะนั้นเองโยมคนหนึ่งที่อเมริกาหลังจากที่แกแกทำธุรกิจขายบ้านซื้อบ้านที่ดินอะไรต่างหลังจากแกมาภาวนาแบบวิธีนี้แกเห็นผลกำไรเกิดจากการประกอบการขึ้นปีหนึ่งหลายเท่าตัว แค่คลขยันทำเพราะว่ามันทำให้จิตใจสะอาดแจ่มใสเกิดสติปัญญาเวลาจะไปเจราจาการซื้อการขายนี่จิตใจก็สะอาดจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็นิ่งเมื่อเจอลูกค้าลูกความที่เลี้ยวกราดหรื อ, อเกิดการถกเถียงกันเอาประโยชน์เอาผลกำไรที่มากกว่า การตั้งจิต ท, ที่จะรับเนี่ยก็ใช้เมตตาจิตยิ้มแย้มแจ่มใสให้คนนั้นมันจะแข็งกระด้างจะไร้กาศขนาดไหนก็ต้องยอมในที่สุดก็ธุรกิจของแกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วส่งเงินมาช่วยกิจการของเราได้ดีนั่นเห็นไหมประโยชน์มันเห็นชัดชัดอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชําระจิตประจําจิตเราขึ้น ข, นขนลงๆเจอเหตุดีก็ดีตามเขาเจอเหตุร้ายก็ร้ายตามเขา มันก็ทําให้จิตของเราเศร้าหมองแปดเปื้อนด้วยอารมณ์ต่างๆฉังนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่ามองข้ามชีวิตประจำวันมันสอนเราได้อย่างดีเลยวันหนึ่งเราซักผ้าทั้งหลายครั้งเดี๋ยวก็ซักเดี๋ยวไปซักแปดเปื้อนด้วยเหงือ่อใครเราก็ยังรู้จักซักเพราะเรารู้ว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาดกลิ่นไม่สะอาดก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัว คนอยู่ใกล้ก็ไม่สบายกลิ่นก็ไม่ดีเราบางคนก็ผ้าวันนี้ตะหลังมาอะไรไม่ค่อยผ้าที่เอาไปซักในในตู้เนี่ยมาไม่ค่อยใช้นานพอลองดูแล้วเอามาใช้ครั้งสองครั้งมาซักอีกทีนี่ฝุ่นคุ่ น, น, นคลักน้ํานี่คุ่นเพราะนั้นามาก็ใช้วิธีว่าสงน้ำเพื่ออาบน้ําแล้วก็ซักผ้าไปเลยเอามาขยี้มันสะอาดกว่า นี่ยก็เลยเามาไม่ค่อยมีผ้าใหักบางครั้งถ้าไม่มีการมีงานอะไรแต่ถ้าไปการไปงานเวลาไม่ทันถึงจะได้ซักผ้าเอาให้โยมไปซักแต่อย่างให้โยมแม่ซักเพราะว่าแกขยี้ได้มือแกไม่ค่อยเอาไปปั่นทิ้งเลยเอาไปใช้เครื่องแล้วกก็ามาขยี้ได้มือต่ออีกปั่นให้แห้งามาอาบน้ําเสร็จถ้าอยู่กับวัดเนี่ยจะใช้วิธีสบ ง, ท, ง, งสที่นุ่งอ่างสาที่นุ่ง ก็รู้สึกคือเราจนขยี้จนกระทน้ามันใสอ่ะเราถึงจะปลคอยใจเพราะนั้นทุกครั้งใ น, นเวลาเอาผ้าไปซักในตู้เราออกมาแล้วอามาใสครั้งเดียวกับมาซักนี่น้านีงขุนแล้วกุนอีกแสดงว่ามันมันไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เลืองค่าไฟลเลืองน้ำเลยเพื่อก็จะใช้วิธีโบราณนะ่ะดีฝาเพราะว่าเราพิสูจความสามารได้นี่ ันนั้นก็ใจเราก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะมีะเครื่องชำระหลายอย่างทุกวันเนี่ยฟังเทศบ้างฟังซีดีบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างสนทนาธรรมบ้างมันก็เหมือนสักผ้าด้วยเครื่องแหละคือแบบมันดูง่ายๆไม่ต้องใช่แล้วแต่มันไม่สะอาดอะ่ะไม่สะอาดเหมือนเราลงมือภาวนาเองลงมือภาวนาเองเหมือนอาผ้ามัคคยีเอง เราซักใจของเราเรายกมือขึ้นไว้เรากำหนดตามกำหนดรู้เหมือนเอามือไปขยี้ขยี้หาใจของเราก็เอาสติสมุญญเข้าไปขยี้ไปบุตรไปบี้ไปซักจิตของเราเจริสะอาดเรารู้ว่าวันไหนจิตสะอาดอะไรมากระทบกับแท่งแรงๆเนี่ยเรารู้สึกไม่ไม่มีอะไรกระเทือนเพราะอะไรเพราะมันชำระได้ง่ายอารมณ์ไม่เปลี่ยนอารมณ์ไม่ อารมณ์ไม่ไม่แปรปรวนนะเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบแรงๆแล้วก็เฉยอันนั้นมันเป็นประโยชน์จริงๆมาถึงบอกว่ามาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้จักรักษาจิตเนี่ยเพราะเราเห็นอันนี้สงด้วยตัวเองว่าเมื่อจิตเราสบายแล้วมันก็อยู่ไหนมันก็สบายทําอะไรก็สบายมาสามารถทํางานหนักได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดก็ได้เพราะจิตมันสบายแล้วมันทําอะไรมันก็สนุกหมดอะไม่ว่านางานหนักนานเบา ถามว่าเวลาเสร็จงานแล้วเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนอนตื่นขึ้นมาก็ปกติสมัยก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เโอ้นอนตื่นขึ้นมาวันไหนทํางานหนักขึ้นไม่ไหวเลยปวดทั้งเนื้อทั้งตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้รู้สึก อ, อะไรตื่นขึ้นมาก็ทํางานอะไรต่อได้ตอนเช้าได้ออกกําลังกายเต็มที่ทั้งหา้างสายมาหน่อยได้เดินขึ้นเขาสองสามรอบเหงื่อแตกชําระสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยมห็น เหงื่อของเราเนี่ยนะถ้ามันไม่ออกทุกวันนี่ยเราจะไม่สบายตัวนะเพราะเหงื่อเนี่ยเป็นตัวล้างสารพิษในร่างกายดีที่สุดเพราะว่าสารพิษที่ซึมซับกระดตามผิวหนังของผิมขนต่างๆเนี่ถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ย ม, ม, ม, มันไม่ขับสิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะนั้นพวกที่เขาอยู่ในเมืองเขาจึงวิ่งเขาจึงออกร่างกายเจ้เหงื่อออกทุกวันเขาก็ทํางานได้ผลนะไม่ค่อยเจ็บป่วยคนที่ดูแลสุขภาพ แต่คนทุกวันนี่ขี้เกียจออกกําลังกายมีแต่จะท า, านอาหารดีๆหลับแล้วก็มีแต่เจ็บป่วยอ่ะอยาะนั้นเองการดูแลด้านจิตใจเหมือนเดิเราก็ต้องออกกําลังใจอา ก, กําลังใจเก็หมายของว่าต้องได้ทำภาวนานี่แหละได้กําลังใจให้จิตของเรานั่งภาวนา น, นานๆทีนี้ ได้สอบอารมณ์โยมต่อกลางวันบอกว่าเอ๊วัดในบ้านส่วนใหญ่เข า, าวันพระวันศีลก็มากันเต็มวัดเวลาชวนมาภาวนาอย่างนี้เขาบอกว่าฉันก็ไปวัดฉันก็ภาวนาแล้วไปทําอะไรเพิ่มไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกแต่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาทนไม่ค่ยได้มีการยังอารมณ์เสียยังหงุดหงิดยัง ถ้าเราโบว์แว้งยังมีเขามีเราอย่างแบ่งฝักแบ่งฝ่งายแบ่งเขาแบ่งเรามีเรื่องกันอยู่ทั้งที่ไปวัดภาวนาวันพระวนันศีลแต่ภาวนาสักพักก็มานั่งคุยนินทาชาวบ้านกันนี่อันนี้เขาเรียกว่าทําตามประเพณีแต่พอเรามาปฏิบัติแบบนี้ชําระจิตชาระใจจนเห็นอ น, นิสงเราก็ไม่ได้รอวันพระวนันศีลไม่ได้รอวันตุวันศาส์วันประเพณีอะไร เราทํำของเราทุกวันอยู่คนเดียวก็ทํามีใครเห็นก็ทําไม่มีใครเห็นก็ทําทําอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นชีวิตละเรารู้สึกถึงได้ว่าชําระจิตเป็นชีวิตจิตใจใจแล้วก็สบายใจแล้วก็มีกําลังเหมือนเหมือนร่างกายเราไม่มีโรคอะ่ะมันก็มีกําลังทําอะไรก็มีกําลังใจทําอะไรก็สําเร็จนะเพราะฉะนั้นเองมันมาก็เห็นประโยชน์อันนี้สง่งอันนี้ก็จึงชวน คนภาวนาเรื่อยๆจนหลังมาคูจิมาเป็นคนช่วยอีกแรงก็เลยเออเราก็ไม่ต้องชวนยากเลยเดียนี้ค่อยใช้เทคโนโลยีดังนั้นเองก็เที่ยวเนี้ยวันวันนี้วันอะไรยี่บสองใช่มยี่บสองยี่สามยี่สิบสองยี่บสี่ยิบสี่เนี่ยก็เข้าเข้าไปเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่พราะยี่บห้าที่เชียงใหม่คลอดเชียงใหม่ยี่สิบ้าถึงสามสิบวันที่หนึ่ง หกห้าหกวันก็เลยว่าเท่ยวนี้ก็คงจะเอาให้พอดีมาหรือเปล่านี่ก็จะพอะดีไปภาวนาด้วยไม่มาเลยฮอไร่บอ ม, มาฮะใครก็ตรงมมินเอาพุชตร้มมนมาหรอ น่าเชิท้าม้าสนมนยาอะไรเอาปลาดีไปเด้อเทียวหน้าหยุนไปเที่ยวตะไบพุ่นแก้วนวลไปเทียวแล้วเอาปัดแตวไปเอ็นไอติ่มไปแล้วก็ซื้อวัดไอไฟไปเอากูหูไปด้วยเลยสบาบอครดีได้ เราไปเอาไปที่แต่คนสองคนเราประกุหุไปนี่บมได้อารมณ์เลยไปอู้อะไนั่นก็โคต้าของหลวงพ่อก็ได้นะคนสองคนไปได้แล้วก็พ่อใหญ่ใหม่คนหนึ่งก็ไปเที่ยวนี่นะแล้วเที่ยวต่อไปนู่นเอาหลวงนวยไปนะตอนไปตอนไปอีสานไะปชายภูมนะิก็ไปทีละคนก็ไปฝึกเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าต่อไปหลวงพ่อ ตายไปเนี่ยถ้าพวกเราไม่ฝึกเอาไว้ใครจะมาดูแลวัดใช่ไหมเออต้องฝึกกันไว้เพื่อว่ า, าไม่มีอะไรแน่นอนเออหลวงพ่อไม่อยู่พวกเราก็พากันภาวนาได้อย่างนี้เป็นต้นนะเวล า, าไปภาวนากลับมาเราก็ให้โยมลูกโยมพาปฏิบัติต่อยโยมลูกโยมก็ดูแลปฏิบัติต่อไปเที่ยวนี้ภาวนามาโยมลูกลุงเทคแคร์ดูแลอย่างดีเลยที่แรกว่าจะเอาพวกใหญ่รันไปเชียงใหม่ด้วยเออภาวนาว่าอยู่ต่อยเถอะเดียวกันโอเคก็จมุงพัฒนาสาธุ ไปเที่ยวนี้ใจเด็ดมากเราไม่ไม่ทานยารักษาโรคอะไรทั้งนั้นปรากฏว่ได้อารมณ์ดีกว่ากินยาอยู่ <c oughs> เออใช่ได้ทีเดียวอันนั้นก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวเขาจะว่าหลวงพ่อไม่ไปช่วยเลยคนไกลคนใกล้ไม่ช่วยเลยก็จะไม่ได้ว่ากันนะไปช่วยถ้าคนใกล้แต่ว่าช่วยกันที่นี่เนี่ยบางทีมันใกล้บ้านใกล้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเรื่องยามันเยอะนะไปอันนี้มาเราก็ไม่สะดวกใจแต่พอเราไปภาวนา น, นอกสันที่เราก็ทําให้ ไม่ต้องมีอะไรมารบกวนถึงพาไปภาวนานอกสานที่แต่ก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติร่วมกันที่นี่อย่างเป็นชีวิตจิตใจไม่ใช่ทําตามประเพณีเฉพาะเช้าเฉพาะเย็นเฉพาะวันพระวันศีลไม่ใช่เงี้นให้ทํามันเป็นชีวิตเลยแล้วอยู่ที่ไหนหลวงพ่จะอยู่ไม่อยู่ก็ภาวนากันอยู่อย่างนั้นมันก็ทําให้รักษาวัดเอาไว้ได้แต่ถ้าไม่ภาวนาการนี้วัดเราอยู่ไม่ได้นะนะก็ต่อไปในวัดต่างๆเนี่ย วัดต่างๆก็จะล้างจะโรยกันไปเพราะอะไรเพราะสังคมเขาต้องการสิ่งนี้แต่วัดทั่วไปไม่มีให้เขาใช่ไหมไม่จะอยู่ได้ไงอาจารย์ น, นันเราให้ฟังแม้แต่ว่าเจ้ากน้ำเพอยังพให้ข้าไม่พอกินเลยวันเออท่านไปบินทบาทเลี้ยงกันว่าเลยตั้งเนี่ไปไปตั้งกองทุนเลี้ยงพระอ่นะาในศาสตร์ด้วยปล่อยท่านไปเต็มที่ก็แล้วกันท่านบวชแค่สามเดือนนะไม่ต้องไปห่วงไงแนละ้ว ช่วยหาทุนหารลอนช่วยวัดต่างๆไปเห็นความยากจนแม้แต่วัดย่อยยังมีข้าวจะกินเออเพราะนั้นวัดเราที่มีอยู่มีกินสะดวกสบายเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติเทวดาอินพรมเขาก็มาช่วยใช่ไหมเทวดาอินพรมนั้นที่เขาเป็นสมาธิฏฐิเขาต้องการบุญกุศลอันนี้นเพราะเขาจะได้อยู่ในภพภูมิเขานา น, านๆแต่ถ้าเขาไมา่ไม่ได้มาช่วยอย่างเราเนี่ยภพ บ, บุญกุศลเขาไม่พอไงเพราะเขาก็มาช่วยเราบุญกุศลเขาก็ได้บุญกุศลไปต่อบภพตอบภูมิเขาให้ยาวขึ้น แต่เทวดาอินพรมที่เป็นสมาธิฐิก็เราก็จะ เ, า, เาต้องไปมาช่วยสนับสนุนสำนักหรือคนที่เขาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมด้วยบริสุทธิ์ได้จริงใจไม่ใช่ปฏิบัติแบบหน้าไหว้หลังหลอกหลวงพ่ออยู่ก็ไม่ทํากันหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยู่ก็ไม่ทำหลวงพ่ออยู่ก็ทํากันอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่ก็ทําหมืนอย่างนี้ใช่ไหมถ้างั้นทําแบบว่าคือ เออเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาใจหลวงพ่อเฉยๆอันนี้ใช่ไม่ได้น ะ, ะเรียกว่าไม่จริงใจนะแต่ถ้าหากว่าจริงใจทําเป็นชีวิตจิตใจแล้วหลวงพ่อจะอยู่ไม่อยู่ก็ทำกันเหมือนทุกอย่างอย่างที่หลวงพ่ออยู่นั่นถือว่าเออทำด้วยความจริงใจก็จะรักษาวัดได้วัดก็อยู่ได้นะนั่นเองก็อาศัยความาเข้าใจของของพวกเราโดยอาศัยคุณธรรมของพวกเราเองที่เพื่อนสร้าง ไม่ใช่อาศัยเนื้อธรรมของหลวงพ่ออย่างเดียวไม่ได้ไม่พอนะเพราะฉะนั้นในต่อไปถ้าหาพวกรธทําที่อยู่ที่กินที่พักพายใสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะเนื่อว่าปีนี้เราปล่อยสร้างค่อนข้างจะหนักหน่อยพเพราะพยายางเก็บอะไรที่มันค้างมันเหลือนะให้เรียบร้อยปีต่อไปแล้วก็ทำมันน้อยลงน้อยลงไปจำน้นทางก็มีสะดวกแล้วที่พักสําหรับอุบายศุกร์ก็เรามีห้องใต้ดิน มีหุ่นีข้างล่างสําหรับอุบัติการมาเยอะหน่อยเฉพาะที่พักหุ่นเก็บอารมณ์ข้างล่างที่พักอาศัยยังที่เก็บอารมณ์ก็ยังไม่พอที่พักอาศัยมีเรือนรับรองอยู่หลังเดียวไม่พอเราก็มาทําหลังใหม่ห้องน้ําห้องสืง่อมทําหลังใหม่นี่ดีหน่อยเพราะบางทีแขกที่ก็มาจากในเมาะในเมอืมองมาจากต่างประเทศเขาจะจะได้พักได้สะดวกนั้นก็ค่อนข้างสูงนะ เพราะนั้นในกรถินปีนี้ถ้าเงินจากว่าหลักห้าลงมานี่ไม่พอใช้หนี้เขานะเาต้องหลักห้าขึ้นไปนะเงินต้องบอกกันไว้ก่อนงานหนักนะประกอบกับว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ก็เสี่ยงนะเพราะว่าวัดเราที่มีกรถินทุกปี่วัดต่างวัดแม้วัดเขาตั้งเพอเองก็ไม่มีกรถินนะบางปีเราก็ต้องไปช่วยเป็นพ่อป่าให้แนตะ่ ว, ว่าแต่ ว, วัดธรรมดาดังนั้นเองก็เราต้องเห็นความสําคัญของเรื่องปฏิบัตินะถ้าเราไม่ ชอบปฏิบัติเป็นนิสัยมาวัดดอยมีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้แม่ครัวก็้ไม่นานดูนโยมปฏิบัติเขา้ามาอยู่ๆมีแต่ปัญหาอะไรนี้เขาก็ไม่อยากมาละแต่มาแล้วทุกคนสงบเรียบร้อยพูดกันเป็นลักษณะเมตตาไม่นินทาว่าร้ายไม่เใหงโทษโดดผิดกันอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจนะทุกอย่างมีแต่ความเมตตามีอภัยไปดูคนนั้นถูกไปดูคนนี้ผิดคนนี้น่า ไหวคนนี้หลังไหวอะไรไม่ได้ทุกคนมันมีทุกข์เหมือนกันหมดทุกคนมีทั้งถูกทั้งผิดอยู่ในตัวเราต้องคิดอย่างนั้นทุกคนมีดีมีชั่วอยู่ในตัวทุกคนมีทุกมีสุขอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันเอาส่วนของที่ดีออกมาใช้แต่ของที่ไม่ดีก็เก็บไว้ของแค่ของมันเแก อ, ออกมาใช้คําพูดแล้วก็พูดที่ดีๆออกมาใช้ด้วยกัน เรพูดนไหนไม่ดีเราไม่ออกไม่ใช้เหมือนเราจะกินทุเรียนน่ะเราจะกินแต่เนื้อมันเม็ดมันเปลือกมันเอาทิ้งไปเลยถ้าหากว่าเราเอาคําพูดที่ไม่ดีอุนิใสยที่ไม่ดีมาใช้ก็หมายความว่าเรากินทุเรียนทั้งเปลือกทั้งเม็ดมันก็ไม่ไหวอนะแม้แต่ปลาเราก็รู้จักกินเนื้อมันเอาก้างเอาขี้มันทิ้งคนเราเหมือนกันไอ้ความที่ไม่ดีเนี่ยมันขี้เหมือนก้าง ในส่วนที่ดีก็เหมือนเนื้อเราก็ยังเูเลือกกินเนื้อส่วนที่ไม่ดีก็คือเช่นเราก็มีการเพ่งโทษจับผิดกันมีการดูถูกดูแฟนมีการินทา้าวอร้ายมีการส่เสียดมีการอิจฉาพยาบาทกันนี่เรียกว่าส่วนที่เป็นขี้แล้วก็ส่วนที่เป็นก้างถ้ากินเข้าไปมันก็ติดท้องติดคอเราตัวอย่างเราก็มีแต่ความเมตตามีให้อะไไม่ นินทา ก, การเลกันไม่ส่อเสียดกันไม่ว่ารับหลังกันมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสใสกันคนอื่นเขาไม่เห็นเขาก็อุ่นใจนะนั้นเวลาเราปฏิบัติมันต้องมีผลเปลี่ยนแปลงเจต น, นาใสเรานะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ใช่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าเราปฏิบัตไิไม่ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติมานานกันไหนก็ไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราปฏิบัติแม้ไม่นานแต่ ว, ว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงมีเมตตากรุณามีความนิ่งมีความสง บ, บมีความเย็นเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นกุศลเราก็ไม่พูดถึงมันละเรื่องใดที่เป็นกุศลเป็นความดีเราก็รู้จักใช้ถูกกาลเทศะเออถ้าอย่างนี้คนก็ก็อยากจะมาอยู่ด้วยบ่อยๆนะเพราะว่าอยู่แล้วเย็นใจสบายใจนะนั้นก็อยากจะให้เราปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นถือว่าปฏิบัติได้ผล เวลาหลวงพ่อไปเปผยแพร่ที่ต่างๆก็ อ, อยากตามมาปฏิบัติเพื่อตามมาปฏิบัติมาเห็นพฤติกรรมคนในวัดของเราเป็นอย่างนี้เขาหลวงพ่อมีแต่ออกไปช่วยคนข้างนอกคนใกล้ตัวช่วยไม่ได้เลยใช้ใชไม่ได้เลยเขาก็ไม่มาหาเราอีกใช่ไหม เ, ออเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะมองข้ามไม่ได้ต้องช่วยกันดูแลกันอะไกันนะแล้วก็คนที่อาจจะมาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาพร้อมไหม ถ้าเขาไม่พร้อมเราก็เตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมให้เขาก่อนเตรียมพร้อมพร้อมอย่างไรถ้าจะมาอยู่ยาวอยู่ประจำเนี่ยคุณต้องมาทําวัดเช้าเป็นไหมทําวัดเย็นเป็นไหมวันผ้าวันศีลมาตักบาตร ท, ทาบุญเป็นไหมแล้วก็มาปฏิบัติเวลาไม่มีการมีงานมานั่งปฏิบัติได้ไหมก็เริ่มไปก่อนพอเริ่มมันมีศรัทธามีปัญญามี อารมณ์ทางธําขึ้นเราก็ค่อยอยู่ยาวไปยาวไปเรื่อยๆนี่เขาเราียกว่าเตรียมความพร้อมให้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เราต้องสําหรับคนที่ไม่เคยเนี่ยเรต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้แต่สําหรับที่เคยแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กันและกันใ ห, ก ใ, ให้กําลังใจกันและกันมันก็ทําให้เราเกิดความก้าวหน้าและมั่นคงเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป อันนีต้องช่วยกันนะอาศัยหลวงพ่อคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกันหลายหลายคนนะพอวัดวาอารามเราโตขึ้นเราอีกหน่อยเรามีมูนิธิมีกองทุนอะไรต่างๆให้ช่วยเหลือคนได้กว้างขวางขึ้นนะแล้วก็มีเป็นคนเราก็ได้คนผู้รู้มีปัญญา <c oughs> เข้ามาช่วยกันก็ทําให้เรารักษาพุทธศาสนาไว้ได้แล้วก็สามารถจะช่วยเหลือคนช่วยเหลืออะไรบสัตศ์สิงสารสัตว์อะไรก็ตาม ไม่เท่ากับช่วยเหลือคนนะเพราะคนเนี่ยมันมันสูงกว่าสัตว์จิตใจสูงกว่าสัตว์แต่ที่ดูยังบางคนยังมีจิตใจต่ำกว่าสัตว์เพราะเขายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่านั้นเองแต่สัตว์นี่พัฒนาเท่าไรเท่าไรมันก็ได้เท่าสัตว์นะนะมันจะมากินข้าวอาบน้ําทําคอมพิวเตอร์อย่างมนุษย์นี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะมานั่งศนทนาทํามกันอย่างมนุษย์นี่ไม่ได้แต่คนที่ว่าที่ร้ายๆที่สุดถ้าพูดกันรู้เรื่องนะ มันก็มานั่งคุยกันได้แล้วก็ช่วยเหลือเราได้เนะี่ช่วยกวาดช่วยปูสูบปูเสือ่อช่วยซักผ้าได้แต่สัตว์มันจะดีขนาดไหนมันช่วยเราซักผ้าไม่ได้นะใช่ไหมแมวเนี่ยเรารักมันขนาดไหนหมาลักขนาดมันช่วยเราไปหยิบข้าวหยิบของไม่ได้แต่มีหมาบางตัวนะไปช่วยบินท้บาทพระบินทา้าบาทถือตะกล้าให้เองโอมันอันนั้นไม่ใช่หมาแล้วนะอันนั้นมันคนมาคนมาเกิดเป็นหมาเฉย เมื่อก่อนมันคงจะเป็นเด็กวัดแต่มันขโมยอาหารกินบ่อยๆเมื่อเกิดมาเป็นหมาอยู่กับวัดแต่มันก็รู้เรื่องมี้อยู่คนหน่อยนะเพราะฉะนั้นเรื่องกรร ม, มนี่มันมีจริงนะเราจะ่าไปมองข้ามมาได้เพราะนั้นเราจะต้องเคารพตรงนั้นถ้าเรายังมีกรรมมีเวรเยอะในการปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ถ้าเรามีกรรมมีเวรเบาบางมันก็ปฏิบัติมาได้เรื่อยๆเพราะนั้นก็อยากให้เป็นธรรมเนียมว่าเออตอนเย็น เราขึ้นมาชำระจิตร่วมกันนะเย็นขึ้นมาเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงดีกว่าไปดูน้ํำฟังเพลงฟังข่าวซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่เราขึ้นมาทําไวส้สวดมนต์จิตใจสบายอย่างน้อยก็เป็นการที่ส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปุณญาตญาติของเราเพราะบุญกุศลนั้นเกิดจากการภาวนาเนี่ยมันมันเยอะมากกว่าการให้ทานนะสมมุติการให้ทานได้สักสามสแต่ภาวนามาได้60 70- 80ขึ้นไป มันก็มีบุญกุศลมากพอที่จะช่วยเหลือเพื่อกูนกับญาติพี่น้องของเราที่ตกทุกข์ได้ยากที่ตายไป น, ะ น, นั้นนันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําเป็นประจำนะํำนั้นพู้นี้ก็เลยว่าได้อยู่วัดได้ช่วยดูแลวัดอีกวันหนึ่งวันนี้ก็ทําความสะอาดด้านหลังนะหลือเครือขาดเอ้ไม่หมดก็ต้องเอารถมาขนขยะขนแยกของแยกส่วนอะไร แยกกันออกมันปนกันหมดเละหมดใต้ก็จับแยกส่วนกันเมื่อวานก็เดินน้ำกันยังไม่เรียบร้อยดังมีเวลาก็่อยทำใหม่นะทดสอบกันอันนั้นก็ข อ, ขออนุทนาที่เรามาทำวัดสวมดมนต์ร่วมกันทุกวันแล้วก็ขอให้เราได้พัฒนาก้าวหน้าสามารถที่จะเป็นแบบอย่างได้แล้วได้บุญกุศลที่จะไปช่วยเหลือ จิตวิญญาณของพ่อแม่ปูญาติยายของเราที่ยังตกทุกข์ได้ยากในอายยภูมิเนี่ยคุณผู้สนุสนี่จงถึงท่านเหล่านั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ